วิชานี่คือรอบตัวเขาอยาปล่อยปาหลับเลยให้มันไปโลกคอื่นให้มันรู้อยู่ที่ตัวของเขานี่เคลื่อนไหวมันรู้เมื่อหลวงพ่อนี่ไปแล้วสองสามเพื่อนเราก็บูมมาเห็นว่าหลวงพอ่อก็อยากพูดอยากคุยเราหลวงพ่ อ, พพ อ, อไปอย่างเดินมันตากแดดอยู่ตรงไหนตากแดดเขาเดินอยู่คนย่างหลวงพ่อามาคุยเป็นอะไรนี้ใส่เราต้องรู้จักคํานึงคํานวณอยู่เสมอการปฏิบัติธรนม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 เมื่อมันคิดไปเขาโบรูเขาเคลื่อนเขาไหวเขาบบรูเขามากินข้าวแต่อาบน้ําเข้าห้องน้ำห้องสวมเขารู้แก่เขาหักบนเลยดูเพราะยังสอนให้เขากําหนดรู้ให้รู้จริงๆนี่นะหลวงพ่อกล้ายืนหยันรับรองคําพูดและวิธีอันนี้เพราะหลวงพ่อทํามาเลยมันรู้หลวงพ่อเคยทํำยังอื่นมาแล้วทํามาตั้งแต่อายุติดอิตกุศลพุทธหลวงพ่อทําพุทโธ สัมอา阿拉หังนับหนึ่งสองสามหองยุบอานาปานาสติหลวงพมอได้ใจกลมสงบสงบแต่สงบแต่แท้วิธีสงบแบบไม่รู้นี่หลวงพอคิดสอนให้โบกเกินสามเดือนบบเกินสามสิบวัน น, น้ํานะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำได้นั่งสงบเงียบเป็นบุญญาการเข้าใจได้บยุยญาแต่บางคนมีปัญญามันมาคิดเขามันเลยบุรุษของคิด มันก็เลยพาให้เป็นผมคิดนั่นคิดไปอันนั้นตป็การคิดเอาซื้อเป็นการคาดคิดดนเดาเอาเองนังซื้อกลบมาสูรบวกออย่าเนี้ยยาเสื้อถืออั่นโดยเขาเล่าลือกันมาย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมายาเสื้อถือโดยเหตุเขาทาตามกันมายาเสื้อถือโดยว่ามันมีอยู่ในตำราเลยยาเสื้อถืออั่นที่บุกคนว่านหน้าเสื้อถือสิบข้อคนสมบู